ถ้าจะเป็นผู้ใดก็าตามใครก็าตามที่เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อนี่ยออกนอกลูกนอกทางโพดไม่เข้าหูใครมีแต่ยุแยงกระแทงให้แตกสามกีกันบอกมาคอะบอกมาบอกหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อจะเรียกมากล่าวตักเตือนซะก่อนเป็นอันดับแรกนะแต่ถ้าว่ายังยังมีพฤติกรรมอยู่นั่นแหละ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 หาหรือกันอีกต้องฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันต้องหาข้อมูลไว้ว่าที่จะจอดรถยังไงจะทําความสะอาดอย่างไรเสร้นทางตั้งตรงไหนอย่างไรทางนั้นทางพี่น้องจัตไทายญาติโยงด้วยกันคิดคิดหาข้อมูลไว้เมื่อวันที่ย2่ผ่านมาป่านที่จะมาถึงพวกเราก็จะต้องห า, หาหรือกันอีกในกลุ่ม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 เพราะนั้นเรานะ่ดีด้วยชั่วต้องมองดูตนเองถ้าข้าเป็นคนดีอยู่แล้วเขาจะมาขังเราได้ยังไงถ้าว่าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะระวังให้ดีถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีเรอเราจะเขามาจะมาขังเราได้ยังไงทุกวันในเห็นไหมคิดเพียงแต่คิดไม่เป็นไรแต่พูดออกไปนะีไม่ได้ผนะิด ถ้าทําออกไปผิดผิดกฎหมายอแต่คิดเฉยๆนี่ ย, ยังไม่ผิดหรอกมาอยู่ในใจแต่ว่าในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะนี่ผิดแล้วนะการคิดเนี่ยผิดแล้วเอเป็นมวลทินส่วนหนึ่งละ่ะการคิดในใจมโนกรรมการคิดอการคิดประมาทคนอื่นการคิดที่จะทําความชัว่วในหลักธรรมคาสอนพระพุทธศาสนาตําหนิแล้ว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 คุกเนี่ยคุกสำหรับขังคนชั่วคนที่ไม่มีศีลห้าถ้าคนผิดศีลนั่นแหละเขาขังไว้ในคุกเพราะนั้นให้พวกเราสิ่งที่มันไม่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่าคิดอย่าทาอย่าพูดในสิ่งที่ ม, มันที่ที่มันไม่ถูกต้อง น, นี่นแหละอันนี้เขาขอฝากไว้กับพวกเราคณะจตหายาจมพระเดนทุกอง น, นะงานของเราในงานข่าวนี้เป็นงานที่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 ตรงตรงข้ามกันนะถ้าว่าพวกเราไม่พร้อมเพียงสมัคคีกันนะ<ม>เกิดทุกไม่ว่าตระส่วนอื่นนะในร่างกายของเราเนะี่ยร่างกายของเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอวัยวะอาการสามสิบสองในร่างกายมีตับมีปอดเออนิ้วไม้นิ้วมืออะไรทุกอย่างนะส่วนใดส่วนหนึ่งแตกสมัคคีกันทนะา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 มันก็ไม่มีอะไรถ้าไปปวดท้องแห่งเดียวมันทํำไมจึงทุกขนะ์เนี่ยเพราะอะไรมันก็เทือนกันทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันเนอะ่อบรรดาศิษย์พวกเราอยู่ด้วยกันนะ่ยถึงจะมากน้อยอยู่ในกลุ่มใดก็ตามถ้าคนหนึ่งทําความชั่วทําไม่ดีคิดไม่ดีอลาวาตมูนนะั่นแหะมันก็เทือนทั้งวัดเนี่ยแหละหลวงพ่อบอกวา่ารู้มารู้ให้บอกมาเอนะนะีเราจะจัดการจุดนั้นควรจะผ่าตัดจุดนั้นออก